เอิกขาทายิวระหมวดว่าด้วยพระภิกขาทายิเป็นต้นหนึ่งพิกขาทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระพิกขาทายกะเทระพระพิกขาทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคําผู้สมควรรับเครื่องบูชาเสด็จออกจากป่าใหญ่ คือตัณหาเครื่องร้อยรักมาสู่ความดับนิพพานข้าพระเจ้าได้เห็นแล้วจึงได้มอบถวายพิชซัสทัพทีหนึ่งแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สงบระ ง, งับด้วยปัญญามีความเพียรมากเป็นผู้คงที่เขาพเจ้าเกิดความปลื้มใจเป็นอย่างมากในพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพานแห่งพระอาทิตย์ ทงช่วยมหาชนผู้ตามเสด็จพระยุคลบาทให้สงบเย็นเนื้อขับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จกักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายภิกษาเนื้อขับที่87นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเจ็ดชาติมีพระนามว่ามหาเรณุสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการ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 ประวัติในดิตชาติของพระญานสัญกะเทระพระญานสัญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคําดุจม้าอาชาในตัวองค์อาจผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ดุจช้างมาตังคะตกมันสามแห่งทรงทำที่ตั้งปวงให้สว่างสวยัยดุจ ด, ดวงจันในวันเพน เป็นผู้เจริญที่สุดในโลกกําลังเสด็จดำเนินอยู่บนถนนเขาพระเจ้าได้เห็นแล้วจึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระญาณแล้วประคองอัญชลีมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าสิท ธ, ธัตถะในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทำคำไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งความทรงจาในพระญาณ เนกกลับที่เจ็ดสิบสามนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสิบหชาติพระนามว่านารุตมะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็บประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่านพระาญานสัญญกะเทระได้พาศัทธาเหล่านี้ด้วยประการชนิญาณสัญญกะเทราประธานที่สองจบสอุปละหัตถยาเทราประธานประวัติในดิจชาติของพระอุปละหัตถยาเทระพระอุปละหัตถยาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่า ครั้งนั้นเขาพเจ้าเป็นช่างดอกไม้อาศัยอยู่ในติวรานครได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธถะผู้ปราศจากทุลีเพอกยิเลศที่ชาวโลกบูชาแล้วจึงมีจิตเลื่อมใจมีใจยินดีได้ถวายดอกไม้ดอกอุบลกรรมหนึ่งเพราะอำนาจแห่งกรรมนั้นเขาพเจ้าอุบัติในพบใดๆในพบนั้นๆเขาพเจ้าเสวยผลที่น่าปรารถนาที่ตนทําไว้ดีแล้วในปางก่อน แวดล้อมด้วยดอกไม้อย่างดีนี้เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้เนื่อกับที่เก้าสิบสี่นับจากกับนี้ไปพราพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเว้นกับปัจจุบันนับถอยหลังไปเก้าสิบสี่กับในครั้งนั้นได้เป็นพระราชาห้าร้อยชาติมีพระนามว่าณชุ ป, ปะมะ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 ปัะทะปูชกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระปัะทะปูชกะเทระพระปัทะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ถวายดอกมลิแด่พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสิทธถะและข้าพเจ้ามีจิตร่าเริงจึงโปรโยดอกมลิเจ็ดดอกลงที่พระยุคลบาทด้วยความยินดีด้วยผลกรรมนั้นในวันนี้ ข้าพเจ้าจึงเป็นใหญ่เหนือนรชนและเทวดาทรงร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนิ้กลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้เนิ้กลับที่ห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสิบสามชาติมีพระนามว่าสมันตะคันทะ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 ปท า, าปูชกะเทราประธานที่สจบหมุติปุพิยะเทราประธานประวัติเนดิตชาติของพระมุติปุพิยะเทระพระมุติปุพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นช่างดอกไม้มีชื่อว่าสุทัศนะได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเครอกิเลสผู้เจริญที่สุดในโลก ทรงองอ่างควนรชนเขาพระเจ้ามีใจยินดีถือดอกมะลิไปบูชาพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระผู้มีพระจักสุบริสุทธิ์ทรงบรรลุที่พยะจักสุด้วยการบูชาพระพุทธเจ้านี้และด้วยการตั้งจิตไว้มั่นเขาพระเจ้าจึงไม่ไปเกิดอย่างทุกติเลยตลอดหนึ่งแสกลับในกลับที่สามนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสิหชาติ มีพระนามว่าเทพุตระมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสาเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมุติปุพยะเถระได้พาสิขคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิ มุติปุพิยะเทราประทานที่ห้าจบหอุทกะปูชกะเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระอุทกะปูชกะเทระพระอุธกะปูชกะเท ร, ร ะ, ะ, ะเรมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคำรุ่งเรืองดังเปลวไฟดังฐานบูชาไฟอันสว่างเจรจ้า กำลังเสด็จเหาะไปในอากาศเขาพเจ้าได้เห็นแล้วจึงใช้ฝ่ามือกอบน้ําแล้วซักขึ้นไปในอากาศพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความเพียรมากมีพระกรุณาในี่เขาพเจ้าทรงรับไว้แล้วพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระประทับยืนอยู่ในอากาศทรงทราบความดําริของเขาพเจ้าแล้วได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ําและด้วยการเกิดปีตินี้ ในหนึ่งแสนกลับเขาจะไม่ไปเกิดยังทุกติเลยค้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากวานรชนด้วยผลกรรมนั้นค่าพระองค์และความชนะและความแพ้ได้แล้วบรรลุฐานะที่ไม่หวั่นไหวในกลับที่ห6 5หนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามชาติมีพระนามว่าสหัสรา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 อุตกกะปูชกะเทราประธานที่หจบ 7. นลมาลิยะเทราประธานประวัติในเดิตชาติของพระนละมาลิยะเทระพระนละมาลิยะเทระเมืม่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ผู้สงบระงับประทับนั่งบนเครื่องลาดย้า ข้าพเจ้านำดอกอ้อมาผูกเป็นพัดแล้วเข้าไปถวายงานพัดพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่พระสัพพัญยูพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงรับพัดแล้วทรงทราบความคิดของข้าพเจ้าด้วยตรัสพระคถานี้ว่ากายของเราสงบเย็นความเร่าร้อนก็ไม่มีฉันใดจิตของท่านจงหลุดพ้นจากไฟทั้งสามกองฉันนั้น เทวดาบางเหล่าที่อาศัยต้นไม้อยู่ก็มาประชุมกันทั้งหมดด้วยหวังว่าพวกเราจากได้ฟังพระพุทธพจน์ที่จะทําผู้ถวายงานพัดให้ร่าเริงพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ณที่นั้นมีหมู่เทวดาห้อมล้อมเมื่อจะให้ผู้ถวายงานพัดร่าเริงจึงได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าด้วยการถวายงานพัดนี้และด้วยการตั้งจิตไว้มั่น ผู้นี้จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าสุภตะตามพระโคดด้วยผลกรรมที่เหลือนั้นผู้นี้ถูกกุศลมนตักเตือนแล้วจกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่ามารุตะตามพระโคดด้วยการถวายงานพัดนี้และด้วยความยกย่องนับถืออย่างไพ่บูรในหนึ่งแสนกับผู้นี้จะไม่ไปเกิดยังทุกติเลยในกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไป จากเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิสามสิบแปดชาติพระนามว่าสุภตะในกลับที่หนึ่งพันยี่สิบเนับจากกลับนี้ไปจากเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแปดพระองค์พระนามว่ามรุตะคุณวิเศษเหล่านี้เพื่อปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า เส้นพระนละมารยาเทระได้พาเจคขาเหล่านี้ด้วยประการศชนีนลมารยเทราประธานที่เจ็ดจบพานวาระที่เจ็ดจบแอาสนุปัฏฐายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระอาสนุปัฏฐายกะเทระพระอาสนุปัฏฐายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า ก็พระเจ้าเข้าป่าดงทึบที่เงียบสงัดไม่มีเสียงอื้ออึงได้ถวายพระแท่นสีหาดแด่พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าอัฏฐทัศสีผู้คงที่ก็พระเจ้าถือดอกไม้กำหนึ่งแล้วทำประทักศินพระองค์เข้าไปเฝ้าพระศ า, าสดาแล้วบายหน้าหลีกไปทางทิศเหนือข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนด้วยผลกรรมนั้น ข้าพระองค์ทำตนให้ดับสนิทได้พบทั้งปวงข้าพระองค์ก็ถอนได้แล้วในกลับหนึ่งร้อยสิบแปดนับจากกลับนี้ไปข้าพระองค์ได้ถวายทานไว้ครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายพระแท่นสีหาดในกลับที่หนึ่งร้อยเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นประสัตผู้จกักรพรรดิพระนามว่าสันนิพพากะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตปรการ มีพลานุภาพมากคูณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอาสนุ ป, ปัฏฐายกะเทระได้พาสุกฐานเหล่านี้ด้วยประการฉนี้อาสนุ ป, ปัฏฐายกะเทราประธานที่แปดจบเก้า พิลาลิทายกะเทระประธานประวัติในเดตชาติของพระพิลาลิทายกะเทระพระพิลาลิทายกะเท ร, ร ะ, ลลทะ เ, ทรเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าอยู่ณที่อยู่ซึ่งมุงบังด้วยใบไม้ในที่เมฆไกลภูเขาหิมพานข้าพเจ้าหิวอาหารแต่ก็นอนเสียข้าพเจ้าขุดหัวมันมันอ่อนมันมือเสือ หอมกระเทียมเก็บผลกระเบาผลรกฟ้ามะตูมนำมาตระเตรียมไว้พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาทรงทราบความดำริของข้าพเจ้าจึงเสด็จมายังสำนักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้มหานาผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทรงองค์อาขกว่านราชนเสด็จมาใกล้แล้ว จึงหยิบมันมือเสือมาใส่ลงในบาตรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคผู้สัพพัณฑ์อยู่ทรงมีความเพียรมากเมื่อจะทรงให้ข้าพเจ้ายินดีจึงสวยมันมือเสือนั้นครั้นสวยเสร็จแล้วได้ตรัสพระคถานี้ว่าท่านทาจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วได้ถวายมันมือเสือแก่เราท่านจะไม่ไปเกิดยังทุกติเลยตลอดหนึ่งแสนกลับจิตดวงสุดท้ายของข้าพเจ้ากาลังเป็นไป พบทั้งปวงเข้าไปเจ้าก็ถอนได้แล้วเข้าระเจ้าทรงร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่กลับที่ห้าสิบสนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรภาพพระนามว่าสุเมคาลิมะสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกปและอภิน ญ, ญาหก พ้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพุเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระพิลาลิทายกะเทระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนีพิลาลิทายกะเทราประธานที่เก้าจบสิเรนุปูชกะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระเรนุปูชกะเทระ พระเรนุปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคํามีพระรัศมีรุ่งเรืองดุจ ด, ดวงอาทิตย์ทำที่ต้องโปรงให้สว่างสวยัยดุจ ด, ดวงจันทร์วันเพนมีสาวกทั้งหลายห้อมล้อมดุจแผ่นดินมีสาครห้อมล้อมข้าพเจ้าได้เห็นแล้วจึงถือดอกกากระทิ่ง พร้อมทั้งเกสรไปบูชาพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปัสสีเนกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปพระเจ้าได้ใช้ดอกกากะถิ่งพร้อมเกสรบูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนกลับที่สี่สิบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเรนุสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมาก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 จบบริบูรณ์รวมอปภิธานที่มีนิวรักษ์นี้คือ 1. พิขถาญากะเทราประทาน 2. ยานะสัญญกะเทราประทาน 3. อุปละหัตถยาเทราประทาน 4. ปัทะปูชกะเทราประทาน 5. มุติปุกพิยะเทราประทาน 6. อุทกะปูชกะเทราประทาน เจนลมาลิยะเทราประทาน 8. อาสนุปัฏายกะเทราประทานเก้าพิลาลิทยกะเทราประทานสิเรณุปุชกะเทราประทานมีคาถาหกสิหกคาถา สิมหาปริวารวัคหมวดว่าด้วยพร ะ, มห า, ารระ 1. มหาปริวารเป็นต้นหนึ่งมหาปริวารเถราประทานประวัติในดิจชาติของพระมหาปาริวารเถระพระมหาปาริวารเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปสัสสีผู้เจริญที่สุดในโลก ทรงองค์อากว่านรชนกับภิกษุสงฆ์6 8 0 0รูปเสด็จเข้าไปอย่างพันธุมะวิหารข้าพเจ้าออกจากนครแล้วได้ไปที่ทีปเจดีได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุีคือกิเลสผู้สมควรรับเครื่องบูชาพวกยักษ์ในสำนักของข้าพเจ้ามีประมาณ 84,000 สพันตนบำรรงข้าพเจ้าโดยเคารพดังหมู่เทวดาชั้นดาวดึง บำรุงพระอินทร์โดยเคารพฉะนั้นครั้งนั้นข้าพเจ้าถือผ้าทิพย์ออกจากที่อยู่ไปถวายอภิวาท ด, ด้วยเสียงกล่าวและได้ถวายผ้าทิพย์นั้นแด่พระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ช่างน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าทั้งหลายช่างน่าอัศจรรย์พระธรรมทั้งหลายช่างน่าอัศจรรย์การที่ข้าพเจ้าได้มาประจวบพระาศาสดาด้วยอนุภาพแผ่งพระพุทธเจ้าแผ่นดินนี้จึงไว้ ข้าพเจ้าได้เห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีหน้าขนพองสยองกล้าวนั้นแล้วจึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ข้าพเจ้านั้นครั้นทำจิตให้เลื่อมใสแล้วได้ถวายผ้าทิพย์แด่พระศาสดาจึงพร้อมทั้งอมาตะและบริวารชนถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะอย่างมั่นคงใน ก, กับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนี้ยกลับที่สิบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสิบหกชาติพระนามว่าวาหณนะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพทาสีวิโมกแปดและอภินญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระมหาปริวารเถระได้พาสืบคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้มหาปริวารเถราประธานที่หนึ่งจบสองสุมังคละเถราประธานประวัติในดิจฉาของพระสุมังคะระเถระพระสุมังคละเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจิตาของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงชนะอย่างประเสริฐพระนามว่าอัฏฐถาทศีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากกว่านรชนเสด็จออกจากพระวิหารแล้วเสด็จเข้าไปยังสระน้ําพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าท ร, ทรงสงนสารนและดื่มแล้วเสด็จขึ้นทรงผ้าผืนเดียวประทับยืนเหลียวดูทิศน้อยใหญ่อยู่ณที่นั้น ครั้งนั้นเขาพเจจาเข้าไปในที่อยู่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกมีกิตร่าเริงเบิกบานได้ปรบมือเขาพเจจาประกอบการฟ้อนรำการขับร้องและการประคมดนตรีมีองค์ห้าถวายพระองค์ผู้รุ่งเรืองดุจ ด, ดวงอาทิตย์ส่งแสงเรืองรองดังทองคำเขาพเจ้าเกิดในกาเนิดใดๆเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม ในกําเนิดนั้นๆเาพเจ้าเป็นใหญ่เนื้อสัตว์ทั้งปวงยศของเาพเจ้าก็ไพ่บูรข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดแห่งบุรุษข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์พระองค์ผู้เป็นพระมุนีทรงทำพระองค์ให้ยินดีแล้วจึงทรงทำผู้อื่นให้ยินดีตามเาพเจ้าผู้มีวัดดีงามกาหนดแล้วนั่งลง ทำความร่าเริงเข้าไปบำรงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดุสิตในกลับที่หนึ่งร้สิหนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสบปดชาติพระนามว่าเอกชินติตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสุมังคละเทระได้พาสิทธถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สุมังคละเทราประทานที่สองจบ 3. สสารณคมนิยเทราประทานประวัติในดีิชาติของพระสรณคมนิยเทระพระสรณคมานิยเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าสงครามของท้าวเทวราชทั้งสองฝ่ายได้ปรากฏประชิดติดกันเสียงดังกึกก้องได้เป็นไปพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับยืนอยู่ในอากาศทรงรรมหาชนให้สังเวชแล้วเทวราทั้งปวงมีใจเบิกบานต่างวางเกราะและอาวุธ พร้อมใจกันถวายอภิวาพระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าในขณะนั้นพระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์ทรงรู้แจ้งโลกทรงทราบความคลิกของข้าพเจ้าแล้วจึงทรงเปล่งอสภิวาจาทำมหาชนให้เย็นใจว่าบุคคลผู้เกิดเป็นมนุษย์มีจิตประทุษร้ายเบียดเบียนสัตว์เพียงตัวเดียวจะต้องเกิดยังอบายภูมิเพราะจิตประทุษร้ายนั้นเปรียบเหมือนช้างในสนามรบ เบียดเบียนสัตว์จานวนมากท่านทั้งหลายจงทําจิตของตนให้เย็นเถิดอย่าเบียดเบียนกันนักเลยแม่ผู้เสนาของพญายักษ์ทั้งสองได้สงบสงครามและพากันถึงพระผู้มีพระภาคผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่เป็นอันดีว่าเป็นสจรณะอย่างมั่นคงส่วนพระาศาสดาผู้มีพระจักสุทรงให้หมู่ชนยินยอมแล้วอันหมูเทวดาเพ่งดูอยู่ ทรงก้าว่ยงพระบาททรงบายพระพักเสด็จหลิกไปทางทิศเหนือข้าพเจ้าได้ถึงพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ว่าเป็นสรณะเป็นคนแรกข้าพเจ้าไม่ไปเกิดยังทุกขติเลยตลอดหนึ่งแสนกลับคะนนกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิสิบกชาติมีพระนามว่ามหาทุนทุพิและพระนามว่ารเถสพระ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 เอกาสนิยะเถราประทานประวัติในดิชาติของพระเอกาสนิยะเถระพระเอกาสนิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เกิดเป็นเท้าเทวราชมีนามว่าวรุณะพร้อมด้วยยานพลทหารและพานะเข้าไปบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระนามว่า อัฏฐทัตสีผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วข้าพเจ้าได้นดําดนตรีทั้งปวงไปยังต้นโพอันอุดมข้าพเจ้าประกอบการประโคมการฟ้อนรําและการแสดางทุกอย่างบํารุงต้นโพอันอุดมดุจบํารุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉพาะพระพักข้าพเจ้าครั้นบํารุงต้นโพซึ่งงอกขึ้นบนพื้นดินนั้นแล้วจึงนั่งขัดสมาธิ แล้วได้สิ้นชีวิตลงณที่นั้นเองข้าพเจ้าปรารบกรรมองตนเลื่อมสายในต้นโพอันอุดมด้วยจิตที่เลื่อมสายนั้นข้าพเจ้าจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเครื่องดนตรีหกหมื่นชิ้นแวดล้อมข้าพเจ้าผู้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ทั้งในเทวดาและมนุษย์อยู่ทุกเมื่อไฟสามกองข้าพเจ้าดับได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว ข้าพเจ้าสงร่างกายอันมีในพพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่อกลับที่หนึ่งร้ห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิสาสชาติมีพระนามว่าสุภาหุสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเอกราชนิยะเทระได้พาสุกคาถาเหล่านี้ด้วยประการัชนีเอกาชนิยะเทราประทานที่สี่จบหสุวรรณะปุพยเทราประทานประวัติในดิจชาตของพระสุวรรณะปุพยะเทระพระสุวรรณะปุพยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปัสสีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนประทับนั่งแสดงอมตะบทแก่มูชนเข้าระเจ้าฟังธรรมของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ได้ใช้ดอกไม้ทองคำสีดอกบูชาพระพุทธเจ้าดอกไม้ทองคำนั้น กลายเป็นหลังคาทองคํามุงบังตลอดชุมชนในครั้งนั้นรัศมีของพระพุทธเจ้าและรัศมีของทองคํารวมกันเป็นแสงสว่างอย่างเจรจา้าพระพุทเจ้ามีจิตเบิกบานมีใจยินดีเกิดโสมนัสประนมมือให้ชนเหล่านั้นเกิดปีตินําความสุขในปัจจุบันมาให้พระพเจ้าทูลวิงวอนและถวายอภิวาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวัดดีงาม ทำความปราโมทที่เกิดขึ้นแล้วกลับเข้าสู่ที่อยู่ของตนเข้าไปเจ้ากลับเข้าสู่ที่อยู่แล้วยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดอยู่ด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นเข้าไปเจ้าจึงได้ไปเกิดยงสวรรค์ชั้นดุสิตนี้กลับที่เก้าสบอดนับจากกลับนี้ไปเข้าไปเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า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 ท่านพระสุวรรณปุพิยะเทระได้ภาศัพท์เหล่านี้ด้วยประการศนี้สุวรรณปุพิยะเทราประธานที่ห้าจบหจิตกะปูชกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระจิตตกะปูชกะเทระพระจิตกะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าพร้อมทั้งอมาตและบริวารชน สิงสถิตยอยู่ที่ต้นเกศเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ไปยังจิ ก, กาทานของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิกขีผู้ทรงเป็นเผ่าพันธ์ของโลกประคมดนตรีณที่นั้นโปรยของหอมและดอกไม้ให้ทั่วถึงข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีทาการบูชาที่จิ ก, กาทาน ว่าจิ ก, กาทานแล้วกลับมาวิมานของตนเข้าพเจ้าเข้าไปในวิมานแล้วยังระลึกถึงการบูชาจิ ก, กาทานอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อ่านกวนรชนด้วยผลกรรมนั้นเข้าระเจ้าจึงสวยสมบัติทั้งในเทวดาและในมนุษย์แล้วละความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วบรรลุฐานะที่ไม่หวั่นไหว เนกลับที่ส1อดนับจากกลับนี้ไปเคระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาจิ ก, กาทานเนี้กลับที่ยี่สนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิสิบหชาติมีพระนามว่าอุคตะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภิญยาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระจิตตกะปูชกะเทระได้พาสิทธิาถาเหล่านี้ด้วยประการาชนี้จิตตกะปูชกะเทราประธานที่หจบ7พุทธสัญญกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระพุทธสัญญกะเทระ พระพุทธะสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเด็จชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปสัสสีผู้เลิศในโลกทรงปรงพระชนมายุสังขารแผ่นดินหมื่นจักรวาลทั้งสมุทรสาครก็ไหวแล้วแม้วิมานของข้าพเจ้าสูงกว้างยาวสะอาดและงดงามมีพวงมลาลัยเป็นที่ห้าก็ยังไหว เพราะการที่พระพุทธเจ้าทรงปรงพระชนมายุสังขารเมื่อวิมานไหวแล้วเขาพเจ้าเกิดความสสดุ้งว่าเกิดเหตุอะไรหนอแสงสว่างเจรจ้าได้มีแล้วเพื่อประโยชน์อะไรท้าวเวสสวรมาณที่นี้แล้วทำมหาชนให้เย็นใจว่าภัยที่จะเกิดแก่สัตว์ไม่มีท่านทั้งหลายจงมีความตั้งใจเคารพเถิดช่างหน้าอาชจรรย์พระพุทธเจ้าช่างหน้าอาชจรรย์พระธรรม ช่างน่าอัศจรรย์การที่ข้าพเจ้าได้มาประโตกกับพระาศาสดาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแผ่นดินก็ไหวข้าพเจ้าประกาศพุทธานุภาพแล้วจึงบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกลับในกลับที่เหลือข้าพเจ้าได้ทํากุศลไว้แล้วในกลับที่เกสอนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ความทรงจําไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งความทรงจําในพระพุทธเจ้า เนกับที่สิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าสมิตะผู้มีความเพียรมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมโก8ปและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระพุทธสัญญกะเทระ ได้ภาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประกาศนิภณิภูษัสัญญากะเทราประธานที่เจ็ดจบ8มัคคะสัญญากะเทราประธานประวัติในดิจชาติของพระมัคคสัญญากะเทระพระมัคคะสัญญากะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าชาวโกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระเที่ยวไปในปา่า หลงทางจึงเที่ยวไปในป่าใหญ่เหมือนคนตาบอดบุตรของพระมุนีเหล่านั้นเราลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะทรงเป็นผู้นำหลงทางอยู่ในป่าใหญ่ข้าพเจ้าลงจากวิมานแล้วได้ไปยังสำนักของพิษุบอกทางให้และได้ถวายโภชนาหารแก่พิสุเหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลก ทรงองค์อาจกว่านรชนด้วยกรรมนั้นข้าพระองค์มีอายุเจ็ดขวบก็ได้บรรลุอรหัตผลในกัปที่หนึ่งร้อยห้านับจากกัปนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสิบสองชาติมีพระนามว่าสจักขุสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการคุณสมบัติเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปดและอภินยาหกพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระมัคคะสัญญกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้มัคคะสัญญกะเทราประธานที่แปดจบกปัจจุปัฏฐานะสัญญกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระปัจจุปัฏฐานะสัญญกะเทระ พระปัจจุปถานะสัญญะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระสุคดพระนามว่าอัฏฐทัตสีเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เกิดยังกำเนิดยักษ์และได้รับยศตามลําดับข้าพเจ้าคิดว่ายศที่เราได้แล้วเป็นของได้ยากหนอเป็นของที่รุ่งเรืองยากเกิดขึ้นได้ยากเมื่อโภคะของเรามีอยู่ พระสุคตผู้มีพระจักสุก็เสด็จดับขันธพันิพาณเสร็จแล้วสาวกนามว่าสาครรู้ความดำร่รฤกของข้าพเจ้าแล้วท่านประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงมายังสำนักของข้าพเจ้าท่านกล่าวว่าท่านจะเศร้าโศกไปทำไมหนออย่ากลัวเลยท่านจงประพฤติธรรมเถิดท่านผู้มีปัญญาดีพระพุทธเจ้าทรงประทานวิชาสมบัตแก่ชนทั้งปวงเนืองๆว่า หากผู้ใดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกยังดำรงพระชนอยู่ก็ดีพึงบูชาพระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดของพระพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วก็ดีเมื่อจิตที่เลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันบุญก็มีผลมากเสมอกันเพราะฉะนั้นท่านจงสร้างสถูปบูชาพระธาตุของพระพิณเจ้าเถิด พระพเจ้าได้ฟังคำพูดของท่านสาพรแล้วได้สร้างพุทธสถูปบำรุงพระสถูปชั้นเลิศของพระมูนีอยู่ห้าปีข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากว่านรชนด้วยผลรำนั้นข้าพระองค์จึงสวยสมบัติได้บรรลุอรหัตผลแล้วเนื้อกลับที่หนึ่งรเจนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพัทสีชาต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 ได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประกา ร, รชนิปจุปทานะสัญกะเทราประทานที่เกจบสชาติปูชกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระชาติปูชกะเทระพระชาติปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประสูตรได้มีแสงสว่างเจิดจ้า แผ่นดินพร้อมทั้งสมุทรสาครและภูเขาก็ไหวแล้วอันหนึ่งผู้โผราชายพยากรณ์ว่าผู้นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าในโลกจกเป็นผู้เลิกกว่าสรรพสัตว์จะกรือถอนหมู่ชนพระพระเจ้าได้ฟังคำของผู้โหราชาแล้วได้ทำการบูชาพระชาติกาเนิดด้วยความดำริว่าการบูชาเช่นกับการบูชาพระชาติกาเนิดไม่มี ข้าพเจ้าสร้างกุศลแล้วจึงทําจิตของตนให้เลื่อมใสครั้นทําการบูชาพระชาติกําเนิดแล้วก็สิ้นชีวิตลงณที่นั้นข้าพเจ้าเกิดในกําเนิดใดๆเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกําเนิดนั้นๆข้าพเจ้าเป็นใหญ่เหนือสรรพสัตว์นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระชาติกําเนิดแม่นมทั้งหลายย่อมบํารุงข้าพเจ้าอยู่ในอนํานาจจิต ข, ของข้าพเจ้า แม่นมเหล่านั้นไม่อาจเพื่อทํำข้าพเจ้าให้โกรธเคืองนี้เป็นผลเน่งการบูชาพระชาติกําเนิดเนื่อกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทําการบูชาวไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลเน่งการบูชาพระชาติกําเนิดเนื่อกลับที่สามนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสาสบสี่ชาติพระนามว่าสุ ป, ปาริเจริยะ เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสสมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหกเขาพะเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทาสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระชาติปูชกะเทระได้พาสึกขาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ชาติปูชกะเทราประธานที่สิบ มหาปริวารวัคที่สิองจบบริบูรณ์ร่วมอปทานที่มีในวักนี้คือ 1. มหาปริวารเถราประทานสองสุมังคละเถราประทาน 3. ามจารณะธรรม ะ, ะเถราประทาน 4. เอกาสนิยะเถราประทานหสุวรรณปุพพิยะเถราประทาน 6. จิตกะปูชะกะเทราประทานเจพุทธสัญญกะเทราประทาน 8. ปดมคสัญญกะเทราประทาน9ปัจจุ ป, ปัฏฐานสัญญกะเทราประทาน 10. ชาติปูชะกะเทราประทานท่านกล่าวรวมคถาไว้90สิบคถาชั้นนี้แหล